วันนี้เป็นวันพระวันที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบุตรสัตตายาติโยมหยุดภารกิจการงานทางร่างกายคือหยุดการหาความสุขทางร่างกายเพื่อที่จะได้มาวัด มา ห, หาความสุขทางใจเพราะว่าความสุขทางร่างกายต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ร่างกายนี้เป็นของไม่เที่ยงร่างกายนี้ต่อไปจะต้องมีปัญหาจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตาย เวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายการหาความสุขทางร่างกายก็จะยากหรือจะเป็นไปไม่ได้ตอนนั้นถ้าไม่มีความสุขทางใจมาแทนก็จะอยู่อย่างทุกข์ทรมาน อยู่ย่างไม่มีความสุขและอาจจะคิดฆ่าตัวตายกันสมัยนี้ประเทศที่จเจริญทางด้านวัตถุทางด้านความสุขทางร่างกายพอถึงเวลาที่เขาแก่เขาเจ็บหรือเขาจะตายเขาไม่อยากจะอยู่อีกต่อไปเพราะไม่มีความสุข อยู่ด้วยความทุกข์ทรมานใจก็เลยอยากจะฆ่าตัวตายกันสมัยนี้เขาพยายามที่จะผลักดันออกกฎหมายให้แพทย์ช่วยฆ่าตัวตายอย่างถูกกฎหมายคือเมื่อคนไข้คนแก่หรือคนจะตายอยากจะตาย พออยู่ไปก็ไม่มีความสุขไม่รู้จะอยู่ไปทำไมก็ให้หมอช่วยฉีดยาค่าให้แต่มันผิดศีลธ ร, รรมผิดจรรยบรญณของแพทย์ของหมอหมอมีหน้าที่รักษาร่างกายไม่ใช่มีหน้าที่มาทำลายร่างกาย กฎหมายเขาไม่อนุญาตแต่พวกคนแก่คนเจ็บคนที่จะตายนี้เขาไม่อยากจะอยู่เพราะเขาไม่มีความสุขอีกแล้วเขาอยากจะตายแต่ร่างกายมันยังไม่ถึงเวลาตายมันก็ไม่ยอมตายก็เลยอยากจะให้หมอช่วย ทำให้ตายด้วยการฉีดยาพิษเข้าไปนี่แหละคือความสุขทางร่างกายที่จะต้องมีอุปสรรคมีปัญหาตอนที่ร่างกายแก่ตอนที่ร่างกายเจ็บตอนที่ร่างกายจะตายประเทศที่จเจริญ ทางด้านวัตถุหลงไหลกับการหาความสุขทางร่างกายก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะหาความสุขทางใจหรือไม่เห็นความสําคัญของความสุขทางใจเพราะคิดว่าความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขที่ดีที่สุด ไม่เชื่อว่ามีความสุขอีกแบบหนึ่งคือความสุขทางใจเลยไม่สนใจที่จะศึกษาไม่สนใจที่จะเรียนรู้และฝึกหัดสร้างความสุขทางใจพอเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บร่างกายจะตายก็เลย คิดฆ่าตัวตายกันเพราะทุกทรมานใจมากนั่นเองแต่ถ้าเชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วมาเข้าวัดกันในวันพระหยุดทำงานหยุดหาความสุขทางร่างกายหนึ่งวันหยุดหาความสุขจากลาบยศสัตรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะ แล้วมาหัดหาความสุขทางใจผ่านการศึกษาผ่านการปฏิบัติทำที่พระพุทธเจ้าส่งสอนให้ปฏิบัติเ <c oughs> <c oughs> มื่อได้มาศึกษาเมื่อได้เรียนรู้ว่าเราสามารถมีความสุขได้อีกทางหนึ่งคือทางใจโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายพอเรามาหั ทำกันต่อไปเราก็จะทำได้ต่อไปเวลาที่ร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายจะตายก็จะไม่ทำให้เราทุกข์ทรมานใจเพราะเราจะมีความสุขทางใจมาให้ความสุขกับเราแทนความสุขทางร่างกายนั่นเองแต่เราควรที่จะมาฝึกมาเรียนรู้กัน ตั้งแต่ตอนนี้ตั้งแต่ตอนที่ร่างกายเรายังมีกำลังวังชาอย่ารอมาตอนที่ร่างกายไม่มีกำลังวังชากำลังจะตายหรือกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยหรือกำลังแก่ตอนนั้นจะยากต่อการที่จะมาเรียนรู้ มาฝึกหัดวิธีทำใจให้มีความสุขนั่นเองควรจะมาตั้งแต่เนิ่นๆคือตอนนี้ตอนที่เรายังเดินเข้าวัดเองได้อย่างมีคำพูดว่าเวลาเข้าวัดให้เดินเข้าวัดอย่าให้อย่าให้เขาแบกเราเข้าวัดเวลาฟังธรรมก็ เวลาเวลาสวดมนต์ทาใจหัดทำใจให้สงบมีความสุขก็ให้เราสวดกันเองอย่าให้พระมาสวดให้เราเพราะถ้าให้เขาแบกเราเข้ามาแล้วให้พระมาสวดมนต์ให้เราฟังตอนนั้นเราจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเพราะตอนนั้นร่างกายของเราตายไปแล้วนั่นเองอคนตายเขามักจะต้อง แบกกันเข้าวัดแล้วก็นิมนต์พระมาสวดสวดศพให้ศพฟังตอนนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรแล้วสายเกินไปเสียแล้วต้องมาตอนที่เรายังมีกําลังวังชาอย่างตอนนี้เดินเข้าวัดเองได้ขับรถมาเองได้มานั่งฟังเทศฟังธรรมมานั่งไหว้พระสวดมนต์มานั่งทาจิตให้สงบ ด้วยตนเองได้เพราะของเหล่านี้เราต้องทำกันเองคนอื่นทำแทนเราไม่ได้ดังนั้นเราจึงควรที่จะให้ความสำคัญกับวันพระวันพระที่เราจะได้มาฝึกผลอบรมสร้างความสุขทางใจกัน แต่สังคมของเราในยุคปัจจุบันนี้เริ่มมีปัญหาคือการหยุดวันหยุดทำงานของเราสมัยนี้มันไม่ตรงกับวันพระเสมอไปไม่เหมือนสมัยโบราณสมัยโบราณสมัยที่เรายังไม่ได้ติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศเราจะหยุด ทำงานกันในวันพระเพื่อที่จะได้มีเวลาเข้าวัดไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมนั่นเองแต่ยุคปัจจุบันนี้เรามีการทำมาค้าขายกับต่างประเทศซึ่งเขามีวันหยุดสากลวันหยุดทำงานสากล คือวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งบางครั้งก็ไม่ตรงกับวันพระพอวันวันพระก็ไปตรงกับวันทำงานเขาอย่างวันนี้วันพระมาตรงกับวันอังคารวันอังคารนี้เป็นวันทำงานของสากลเดี๋ยวนี้เราใช้วันสากล ในการทํางานคือจันทร์ถึงสุขเพราะเราต้องมีการติดต่อการค้ากับต่างประเทศนะเราก็ต้องหยุดพร้อมกับเขาทํางานพร้อมกับเขานะถึงจะสามารถติดต่อธุรกิจกันได้อย่างสะดวกนะแต่ถ้าเรานะถ้าเราหยุดวันนี้วันพระ วันนี้เราก็จะไม่สามารถติดต่อทําธุรกิจกับต่างประเทศได้เราเลยต้องเปลี่ยนวันหยุดทํางานของเราจากวันโกนวันพระมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนพอถึงวันที่เป็นวันพระวันที่เราควรหยุดทํางานเพื่อที่จะได้เข้าวัดมาศึกษามาปฏิบัติธรรม เพื่อสร้างความสุขทางใจเราก็จะทำไม่ได้นี่แล้ะเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งที่ทำให้เราอยู่ห่างไกลจากศาสนาคือไม่มีโอกาสที่จะเข้าวัดในวันที่ทางศาสนากำหนดให้เข้าแต่เรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โต ถ้าเรารู้ว่าการเข้าวัดนี้เข้าเพื่อทำอะไรถ้าเรารู้ว่าเข้าวัดเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติตามพระธรรมคาสอนเพื่อสร้างความสุขทางใจขึ้นมาเราก็สามารถใช้วันหยุดของเรามาเป็นวันพระแทนก็ได้ ซึ่งทางศาสนาทางของพระสงฆ์ท่านยังไม่มีการแก้ไขวันหยุดคือวันพระยังใช้ตามระบบเดิมอยู่ระบบเดิมก็ใช้วันขึ้นแรมขึ้นสิบห้าขมแรมสิบห้าขาขึ้นแปดข้ามแรมแปดข้าอย่างวันนี้เป็นวันขึ้นแปดข้าม ไม่มีใครกล้าที่จะไปเปลี่ยนวันพระกันเนื่องจากว่าเป็นวันที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าก็เลยต้องใช้วันพระไปแบบเดิมวันนี้ถ้าคนหยุดทำงานได้ก็จะไปวัดทางวัดก็จะมีกิจกรรมมีการเทศนาว่ากล่าวสั่งสอน มีการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนทำบุญใส่บาตรรักษาศีลฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์จะมีกิจกรรมเหล่านี้ทุกวัดในประเทศไทยในวันนี้ในวันพระแต่ถ้าเราอยากจะเข้าวัดในวันหยุดซึ่งสมัยนี้เป็นวันเสาร์วันอาทิตย์ เราก็ไปวัดที่เขามีการกระทากิจกรรมเหล่านี้ก็ได้ซึ่งบางวัดนี้ถ้าเป็นวัดป่าวัดปฏิบัติเนี่ยจะมีกิจกรรมทุกวันมีการเทศมีการสอนธรรมะมีการทําบุญใส่บาตรมีการรักษาศีลมีการปฏิบัติธรรม เราก็ยังสามารถที่จะใช้วันเสาร์วันอาทิตย์มาเป็นวันพระได้หรือถ้าเราหาวัดไม่ได้เราก็ยังทำของเราเองได้ถ้าเราอยู่บ้านของเราคนเดียวเราทำบ้านให้เป็นวัดขึ้นมาก็ได้เพราะสมัยนี้การฟังเทศฟังธรรมก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้ ไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนจะฟังธรรมแต่ละครั้งนี้ต้องไปที่วัดเพราะว่าสมัยก่อนนั้นไม่มีการบันทึกธรรมะไว้ในสื่อต่างๆเช่นไม่มีธรรมะในหนังสือไม่มีธรรมะในแผ่นซีดีไม่มีธรรมะในอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์มือถือเหมือนสมัยนี้ สมัยนี้เราสามารถฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมศึกษาธรรมะได้ทุกแห่งทุกหนทุกเวลาเพียงแต่ขอให้เรามีเวลามาศึกษาเท่านั้นเองดังนั้นสมัยนี้เรายังสามารถที่จะศึกษาปฏิบัติทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อสร้างความสุขทางใจได้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนถ้าวันไหนเรามีเวลาว่างหยุดภารกิจการงานเราก็ใช้วันนั้นให้เป็นวันพระของเราว่าวันนี้เป็นวันพระจะวันนี้จะฟังเทศฟังธรรมวันนี้จะมาหัดสร้างความสุขทางใจ ด้วยการปฏิบัติตามที่พระจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติให้ทำบุญทำทานให้รักษาศีลให้ภาวนาก็ทำตามไปถ้าเรามีที่สะดวกเราทำเองได้เราก็ไม่ต้องไปวัดก็ได้เราก็ไม่ต้องอาศัยวันพระเหมือนวันนี้ เพราะวันนี้เราอาจจะกำลังทำงานกันอยู่เราก็ต้องรอไปวันหยุดทำงานคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์แล้วเราก็ใช้วันเสาร์วันอาทิตย์นั้นเป็นการศึกษาเป็นการปฏิบัติธรรมตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติเราก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะสร้างความสุขทางใจได้ เราก็จะได้หัดสร้างความสุขทางใจไปเรื่อยๆการสร้างความสุขทางใจนี้ก็ต้องอาศัยการทำไปเรื่อยๆเพราะว่าทำครั้งสองครั้งนี้มันยังไม่เกิดผลขึ้นมาต้องอาศัยการฝึกฝนการกระทำอยู่อย่างสม่าเสมอ แล้วก็ต้องทำจากน้อยขึ้นไปหามากทำมากก็จะได้ผลมากทำน้อยก็จะได้ผลน้อยแต่ถ้าพอเราได้ผลแล้วเราอยากจะทำมากขึ้นเพราะผลคืความสุขทางใจนี่มันดีกว่าความสุขทางร่างกายเพราะเรารู้ว่าเราอาศัยมันได้ทุกเวลาทุกสถานที่ ไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายที่เรารู้ว่าต่อไปเราจะอาศัยไหมอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหามันไม่ได้หรือบางทีร่างกายไม่มีปัญหาแต่ความสุขที่เราอยากได้อาจจะไม่มาตามที่เราต้องการก็ได้เช่นความสุขที่เราได้จากทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองบางที มันก็มาบางทีมันก็ไม่มาความสุขที่ได้จากการรับตำแหน่งต่างๆบางทีมันก็ได้บางทีมันก็ไม่ได้ความสุขที่ได้จากการรับเหรียญรางวัลต่างๆเช่นเหรียญกีฬาเหรียญทองโอลิมปิกอะไรต่าง ๆ, ๆมันก็ไม่ใช่เป็นของที่เราจะได้เสมอไป บางทีอยากได้แต่มันก็สู้เขาไม่ได้เขาเก่งกว่าเขาก็เอาไปอันนี้เป็นเรื่องของการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลดพภัณพะที่ไม่แน่นอนไม่ได้เสมอไปแล้วบางทีได้มาก็มีการสูญเสียไป เวลาเสียไปก็เสียอกเสียใจอีกและเวลาที่ร่างกายแก่ลงไปเรื่อยๆก็จะยากต่อการที่จะหาความสุขจากลาบยศสรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเมื่อเราได้มาหัดหาความสุขทางใจด้วยการทำบุญทําทานด้วยการรักษาศีล ด้วยการภาวนาคือทำใจให้สงบสอนใจให้ฉลาดเราก็จะได้พบกับความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่เราจะได้รับผ่านทางร่างกายแล้วเรารู้ว่าเราเมื่อเรารู้จักวิธีสร้างมันขึ้นมาแล้วเราก็จะสามารถสร้างมันขึ้นมาได้อยู่เรื่อยๆ ถึงแม้ว่ามันจะหายไปหมดไปเราก็สามารถดึงมันกลับมาได้ไม่เหมือนกับสิ่งที่เราหามาได้ทางร่างกายเวลามันหายไปแล้วมันไม่กลับมาเงินทองเวลามันหมดนี่มันไม่กลับมาคนที่เรารักเวลาเขาจากเราไปแล้วเขาจะไม่กลับมาแต่ความสุขที่เราได้จากการปฏิบัติธรรมนี้ เึงแม้ในระยะแรกๆมันจะมีการเสื่อมแต่เราก็สามารถดึงมันกลับมาได้แล้วต่อไปมันจะไม่มีวันเสื่อมเสียด้ยซ้าไป น, นี่คือสิ่งที่ดีเกี่ยวกับความสุขทางใจถ้าเราปฏิบัติขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆความสุขก็จะพเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆ แล้วจะอยู่ในระดับที่ไม่มีวันเสื่อมอีกต่อไปจะอยู่กับเราไปตลอดเราไม่ต้องทำอะไรด้วยหลังจากนั้นพอเราได้ความสุขระดับที่ไม่เสื่อมแล้วเราก็ไม่ต้องมาทำบุญนำทานมารักษาศีลมาภาวนาอีกต่อไปนี่แหละคือความวิเศษของความสุขทางใจ ที่จะให้ความสุขกับเราไปตลอดไม่ต้องกลับมาหามันอยู่เรื่อยๆเหมือนกับที่เรากาลังทากันอยู่ในตอนนี้เราใช้ร่างกายนี้หาความสุขกันไปพอร่างกายนี้ตายไปเราก็กลับมาหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้ใช้ร่างกายอันใหม่หาความสุขทางร่างกายใหม่ หาลาบยศสารเสริญหารูปเสียงกิจลดผลทพะใหม่แล้วในบ้านปลายของชีวิตเราก็จะไม่สามารถหาได้เราก็จะมีแต่ความทุกข์ทรมานใจและอาจจะคิดฆ่าตัวตายกันพอตายแล้วก็กลับมาใหม่อีกเพราอใจของเรา มันอยู่เฉยๆไม่ได้อยู่แบบไม่มีอะไรไม่ได้มันต้องมีความสุขจากลาบยศสัตว์รสน์จากรูปเสียงกลิ่นล้นนี่จึงพาให้เราต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่แล้วอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ไปอย่างโชคชนอยู่ไปอย่างนับไม่ถ้วนปริมาณของการกลับมาเกิดแก่เจ็บตายของเรานี่จำนวนนี่นับไม่ได้ว่ากี่ล้านครั้ง เราจะประมาณได้จากน้ำตาที่เราต้องหลั่งในขณะที่เรามาเกิดและเราต้องมาเจอกับความทุกข์ต่างๆไม่มีใครใช่ไมที่เกิดมาแล้วไม่ร้องไห้กันไม่หลั่งน้ำตากันน้ำตาที่เราหลั่งแต่ละครั้งที่เรามาเกิดนี้ถ้าเราเอามารวมกันนี่พระพุทธเจ้าบอกว่ามันมากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทร คิดดูก็แล้วกันว่าจะต้องกลับมาร้องไห้กี่ครั้งกันถึงจะได้น้ำมากยิ่งกว่าน้าในมหาสมุทรนั่นแหละคือผลที่เราจะได้รับจากการที่เราไปหาความสุขผ่านทางร่างกายกันเราจะต้องกลับมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจทุกครั้งที่เราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารับไป ทุกครั้งที่เราต้องพัดพลาดจากสิ่งที่เราชอบไปก็จะต้องหลั่งน้ำตาจะต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจกันอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าหรือมีพระธรรมคำสอนหรือมีพระอาเลียงสงสากเราก็จะได้ยินได้ฟัง เรื่องการหาความสุขทางใจที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือที่จะทําให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายซ้ําแล้วซ้ํำอีกอย่างที่เรากําลังเป็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้นี่แหละคือความวิเศษของพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาเดียวในโลกนี้ที่สาว สามารถสอนให้เราสร้างความสุขทางใจอันวิเศษขึ้นมาและไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปใครมาเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาแล้วไม่เชื่อไม่มีศรัทธานี่ถือว่าเป็นคนคนง่อหรือคนอโมฆะหรือถ้าเปรียบเทียบ คมโบราณเขาว่าเป็นเหมือนไก่ได้พลอยไก่นี้เวลามันหากินมันไม่มันจะหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือนมันจะขุดคุยเขี่ยไปในดินคอยหาตัวหนอนตัวไส้เดือนมากินพอมันไปเจอเพชเจอพลอยเขา้ามันทำยังไง ร, รู้ไหมมันเขี่ยทิ้งหมดว่ามันกินไม่ได้ แต่มันไม่รู้ว่าถ้าเอาเพชรเอาพลอยนี้ไปขายมันจะไม่ต้องมาคุยเขีย่ยหาไส้เดือนหาตัวหนอนไปจนวันตายมันจะมีตัวหนอนตัวไส้เดือนกินไปจนวันตายเพราะเพชรพลอยที่มันได้มานี้สามารถเอาไปซื้อตัวหนอนตัวไส้เดือนมากินได้ตลอดชีวิตนี่แหละคือพุทธศาสนา เป็นเหมือนเพชรเหมือนพลอยมีคุณค่ามหาศาลเพราะจะดลบันดาลสร้างความสุขทางใจให้กับเราไปตลอดชีวิตเลยพอเรามีความสุขทางใจแล้วเราเลิกทำงานได้เลิกหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้เลิกหายศหาตำแหน่งอะไรต่างๆได้เลิกหารางวัลจัลลศ์เสริญต่างๆเลิกหา รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้เพราะว่าเรามีความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เราจะได้จากลาบยศสารเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธทพะนั่นเองดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างหลังจากที่ทรงตัดสูแล้วทรงได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วนี่พระพุทธเจ้าไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปอยู่เฉยๆไปจนวันตาย ทำก็เพียงแต่ออกบินตบาตนั่นเองก็พอวันหนึ่งบินตบาตหนึ่งครั้งเพื่อให้ได้อาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็อยู่ได้ละอยู่แบบคนจนอยู่แบบขอทานแต่ใจนี้มีความสุขยิ่งกว่ามหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกใจนี้มีความสุขยิ่งกว่าพระราชามหาจากักรพรรดิหรือประธานาธิบดีเนี่ย พระพุทธเจ้าไม่ต้องหาความสุขอีกต่อไปหลังจากวันเพ็ญเดือนหกตอนที่มีพระชนมายุ 35, สามสิบห้าพรรษาพระพุทธเจ้าเลิกทำงานลาออกจากงานไม่เหมือนพวกเรานี้ยังต้องทำกันไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ต้องอายุหกสิบเขาถึงจะปลดเพราะแก่ทำงานไม่ได้ประสิทธิภาพ แต่ผู้ที่ได้พบกับความสุขที่ถาวรแล้วนี้ไม่ต้องทำงานอะไรอีกต่อไปผู้ที่ได้สำเร็จได้พบกับความสุขที่ถาวรนี้ท่านจะพูดว่าวุตสิตังบ ร, รัมมะจาริยังแปลว่ากิจในพรหมจรรย์นี้ได้ถึงการสิ้นสุดลงแล้ว ไม่มีกิจอื่นใดที่จะต้องทำอีกต่อไปอกิจพรมยันก็คือกิจหาความสุขทางใจนี่เองพอได้พบกับความสุขทางใจที่ถาวรแล้วที่จะไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันหมดแล้วก็ไม่รู้จะต้องไปทำอะไรอีกแล้ว อ, อยู่เฉยๆก็สุขตลอดเวลาสุขเนาะสุขเนาะตลอดเวลามีเศรษฐีคนหนึ่งในสมัยพุทธกาล ออกบวชแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสงสอนไม่นานท่านก็ได้พบกับความสุขที่ถาวนพอพบแล้วความมาสรย์จจใจที่ได้พบกับความสุขที่ถาวรนี้ทำให้ท่านอุทานออกมาภายในใจพุ่มพมออกมาเรื่อยๆว่าสุขหนอสุขหนอ อยู่ที่ไหนนั่งที่ไหนยืนอยู่ที่ไหนเดินไปไหนมาไหนก็พึมพำพึมพำว่าสุขหนอสุขหนอพระรูปอื่นก็ไม่เข้าใจคิดว่าท่านเสียสติหรือเปล่าไม่มีสติสัมมลูกายวาจาใจหรือเปล่าถึงบน่นพึมพำพึมพำอย่างนี้ออกมาก็เลยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกไปสอบถามว่า เป็นไงเธอไม่มีสติสตังหรื อ, อยังไงถึงบ่นพึมพำพึมพำเนี่ยเขาก็ตอบไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขารับก็ผมมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาก็ผมรู้ว่าผมผมกำลังทำอะไรอยู่แต่สิ่งที่ผมกระทำนี้มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ใจของพระธรรมของพระบร ม, มศาสดานี้เอง ที่ทำให้ผมนี้อดที่จะอุทานออกมาเรื่อยๆไม่ได้ว่าสุขหนอสุขหนออพอได้ยินคำตอบพระพุทธเจ้าบอกอ๋อให้อย่างนั้นก็ไม่เป็นไรเธอไม่บ้าเธอไม่เสียสติเธอมีสติครบถ้วนบริบูรณ์แต่ทําอันประเสริฐที่เธอได้สัมผัสรับรู้นี้มันมหัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนี่แหละคือเรื่องของ ความสุขทางใจที่ไม่มีใครจะสอนพวกเราได้นอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นถ้าเรามาพบกับพระพุทธศาสนามาเกิดในเมืองที่มีศาสนาพุทธกลับไม่เข้าหาศาสนานี้สแสดงว่าเราเป็นพวกไก่ได้พลอยไม่รู้คุณค่าของเพชรของพลอยรู้แต่คุณค่าของตัวนอนไสเดือน คุณค่าของตัวหนอนใสเดือนที่พวกที่คนไม่เข้าวัดเข้าหากันคืออะไรก็หาลาบยศสละเสริญหาความสุขทางรูปเสียงกลิน่นรสเนี่ยพวกนี้จะไม่มีวันเข้าวัดกันเพราะไม่มีเวลาต้องไปคอยหาเงินหาทองแล้วจะมีเวลาเข้าวัดได้อย่างไรพอวันหยุดก็ต้องไปหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายก็ไม่มีเวลาเข้าวัด วันวันหาเงินก็ต้องไปหาเงินหาตำแหน่งหายศหารางวัลหาเหรียญทองกันพอได้เงินได้ตำแหน่งได้เหรียญทองมาก็ไปฉลองกันไปเที่ยวไปกินไปดืม่มในวันหยุดทำงานกันแล้วมันจะมีเวลามาเข้าวัดได้อย่างไรเพราะมัวแต่หาตัวหนอนตัวไส้เดือนอยู่แล้วก็ใช้เวลากินตัวหนอนตัวไส้เดือนไปเรื่อย เพียงแต่ไม่รู้ว่าต่อไปเวลาร่างกายมันแก่ลงแก่ลงนี่ความสามารถที่จะหาตัวหนอนตัวไส้เดือนมันจะยากขึ้นมันจะหาได้ยากขึ้นและอาจจะหาไม่ได้อย่างคนเมื่อกี้มีคนแก่คนหนึ่งมาทำบุญนะเดินต้องให้คนคอยพยุงหาจะไปเที่ยวเหมือนตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันทำไม่ได้แล้ว ถ้าบางทีซึมเศร้าก็อาจจะนึกอยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมาแต่ถ้าได้เห็นคุณค่าของศาสนาพยายามเข้าวัดตั้งแต่สมัยที่สามารถเข้าได้ถ้าเป็นชาวพุทธเกิดมาในครอบครัวพุทธศาสนาก็จะได้เข้าวัดตั้งแต่เด็กเลยพ่อแม่จะพาเข้าวัด พาเข้าวัดไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปฟังเทศน์ฟังธรรมไปปฏิบัติธรรมไปทุกกะทิดไปเป็นประจำต่อไปมันก็จะซึมซาบเข้าไปในใจเองต่อไปพอเวลาโตขึ้นก็จะไปเองไม่ต้องรอให้พ่อแม่ดึงไปแล้วพอมาแล้วมาศึกษามาปฏิบัติถ้าได้สัมผัสกับผลขึ้นมาแล้วทีนี้จะเกิด ความยินดีที่จะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นตอนต้นอาจจะเข้าวัดแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งวันพระต่อไปอาจจะเพิ่มเป็นสองวันสามวันเมื่อเห็นคุณค่าของความสุขที่ได้จากเข้าวัดกับคุณค่าของความสุขจากการได้ลาบยศศรเสริญก็จะเห็นว่าต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน ก็อยากจะเปลี่ยนการหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสมาหาความสุขจากการมาปฏิบัติธรรมก็จะมีการเข้าวัดเพิ่มมากขึ้นไปลดการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญให้น้อยลงไปจะทําอย่างนี้ไปจนในที่สุดก็จะหยุดหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญแล้วมาหาความสุข า ก, การปฏิบัติธรรมอย่างเต็มรูปแบบคือไปวัดอยู่วัดแบบนักบวชไปบวชเป็นพระบวชเป็นชีนี่แหละเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเราได้เข้ามาศึกษาได้มาปฏิบัติมันจะทำให้มีการเจริญเติบโตทางด้านความสุขของใจมันจะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น เหมือนกับการปลูกต้นไม้นะการปลูกต้นไม้ระยะแรกก็อาศัยมเมล็ดเพ่งมเมล็ดเดียวนะฝังลงไปในดินแล้วคอยรดน้ำพรนดิตอยู่เรื่อยๆต่อไปมเมล็ดนั้นก็จะมีกิ่งก้านโผล่ขึ้นมามีต้นโผล่ขึ้นมางอกขึ้นมาแล้วก็จะค่อยเจริญเติบโตไปเรื่อยๆจนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ สามคนออกโอบยังไม่รอบก็มีต้นไม้เหล่านี้ก็มาจากมเมล็ดของต้นไม้นี้เพียงมเมล็ดเดียวเท่านั้นเองแต่ต้องอาศัยเวลาให้มันมีการเจริญเติบโตขึ้นมาการจะได้ความสุขทางใจอันยิ่งใหญ่นี้ก็เหมือนกันก็ต้องอาศัยการเข้าวัดครั้งแรกเข้าวัดเพื่อศึกษาเพื่อปฏิบัติ ไม่ใช่เข้าวัดแบบงมงายถ้าเข้าวัดแบบงมงายนี้ยังไม่เกิดผลไม่เกิดประโยชน์ส่วนใหญ่คนที่เข้าวัดยังเข้าแบบงมงายอยู่พวกแบบเข้ามาเพื่อกาบพระขอพรกันอยากจะได้สามีอยากได้ภรรยาก็ไปกาบพระในโบสถ์จุดธูปเทียนสามดอกแล้วก็อธิษฐานขอให้สิ่งศักดิ์สิทธ ช่วยโดนบรรดาให้ได้สิ่งที่อยากได้บางคนอยากจะเข้ามาหาลัยบางคนเข้าแล้วอยากจะเรียนให้จบกลัวจะไม่จบกลัวจะมีอุปสรรคมีอะไรต่างๆก็ต้องไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอจากพระพุทธรูปอันนี้เรียกว่าเข้าเข้าวัดแบบงมงาย เพรานี้ไม่ใช่เป็นวิธีเข้าวัดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้าวัดนั่นเองเทําไมถึงกลายเป็นอย่างนี้ไปได้าศาสนาพุทธนี้ไม่ได้สอนให้เข้าวัดเพื่อให้มาขอสิ่งนั้นสิ่งนี้กันแต่ทําไมเดี๋ยวนี้ทํากันเป็นเรื่องราวใหญ่โตขึ้นมาบางวัดนี้แทบจะไม่มีที่เข้าไปวัดบางวัดที่ดังๆนี่ ที่คนเชื่อว่าเป็นสิ่งเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มีพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์ใครอยากได้อะไรขออะไรจะได้ดังใจหมายก็จะแน่นวัดไปหมดแต่มันไม่ได้เป็นสิ่งที่ศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เข้ากันเพราะสิ่งที่ได้ถึงแม้จะได้มันก็ไม่วิเศษเท่ากับสิ่งที่พระพุทธเจ้าจะให้เราได้จากการศึกษาจากการปฏิบัตินั่นเอง ได้สามีได้ภรรยาคิดว่าจะสุขไปตลอดหรือเดี๋ยวสามีภรรยาจากไปก็ทุกข์อีกนะหรือเดี๋ยวอยู่ด้วยกันแล้วเกิดไม่เห็นไม่พอใจอเกิดทะเละวิวาทกันขึ้นมา ความสุขที่อุตส่าห์ไปขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็กลายเป็นลูกระเบิดขึ้นมาระเบิดตูมใส่หน้าเอาทำให้ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจรู้อย่างนี้ไม่ไปขอดีกว่ารู้อย่างนี้ไม่เอาดีกว่าเมื่อเอามาแล้วแทนที่จะให้ความสุขกับเรานี่ยกลับมาให้ความทุกข์กับเราเอามาทำไมนี่แหละคือการเข้าวัดแบบงมงาย เข้าไปเพื่อขอสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วก็ต้องมาเศร้าโศกเสียใจในภายหลังเวลาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นการเข้าวัดจึงไม่ใช่เป็นการเข้าแบบนี้อย่าไปเข้าวัดกราบพระแล้วก็กลับขอพรข อ, ขอนน่นขอนี่บางคนอยู่วันนิวสากขับรถไปถึงโน่นพิศนุโลกอยากจะไปกราบพระพุทธชินราช กลับไปกลับไปหลายชั่วโมงไปกลับไปถึงก็กลับเสร็จแล้วก็ขอนูนขอนี่เสร็จก็กลับก็ไปทำไมมันขอที่ไหนก็ได้เหมือนกันถ้ามันจะได้ถึงเวลามันจะได้ไม่ขอมันก็ได้ถ้าอย่างนั้นประเทศอื่นเขาก็ไม่มีได้อะไรสิถ้าเขาไม่มีพระพุทธรูปไว้ขอเนี่ย แต่ทำไมเขากลับมีอะไรมากมายกว่าประเทศที่มีพระพุทธรูปประเทศที่ไม่มีพระพุทธรูปประเทศฝรั่งนี่เขาเขามีข้าวของเงินทองมากมายกว่าเราหลายร้อยเท่าหลายพันเท่าเขาไม่ต้องมีพระพุทธรูปมาขอเขาก็ได้เพราะของพวกนี้มันไม่ได้อยู่ที่ขอหรือไม่ขอมันอยู่ที่หาหรือไม่หาหาเป็นหรือหาไม่เป็น ถ้าหาไม่เป็นมันก็หาไม่ได้ถ้าหาเป็นมันก็หาได้ไม่ต้องขอมันก็ได้แต่สิ่งที่เราจะไม่ได้จากการถ้าเข้ามาถ้าไปที่อื่นสิ่งที่เราจะไม่ได้คือความสุขใจเนี่ยเราจะไม่ได้เราต้องมาเข้าวัดเท่านั้นเราถึงจะได้แล้วก็ไม่ใช่ได้แบบขอ ได้แบบมาเรียนรู้วิธีว่าทำอย่างไรตรงนี้ทำให้ความสุขทางใจปรากฏขึ้นมาเมื่อเรียนรู้แล้วว่าทาอย่างนั้นทำอย่างนี้ก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต่อด้วยไม่ไม่ใช่เรียนรู้แล้วคิดว่าพอรู้แล้วความสุขจะโผล่ขึ้นมาทันทีมันก็ยังไม่โผล่เหมือนกับการดูแผนที่ว่าจากที่นี่ไปที่นู่นไปถนนสายไหน พอรู้แล้วว่าวิธีจะไปที่นั่นไปถนนซ้ายนี่แต่ถ้าไม่ออกเดินทางไปมันจะไปถึงที่นั่นได้อย่างไรมันต้องออกเดินทางไปแต่ต้องรู้ว่าจะไปทางไหนจึงต้องดูแผนที่ก่อนแต่ถ้าออกไปโดยไม่รู้ว่าที่นั่นไปอย่างไรไปเดี๋ยวก็ไปไม่ถึงที่ที่เราต้องการไปถ้าเราไม่ดูแผนที่ไว้ก่อน อย่ใดถ้าเราไม่ศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่เรียนรู้วิธีสร้างความสุขทางใจเราไปทําเองเราก็ทําไม่ได้อยู่ดีทําแล้วก็ไม่เกิดผลขึ้นมาเหมือนกับมีฝรั่งคนหนึ่งคเคยพบอยากจะกินข้าวผัดก็เลยไปเอาเข้าวสารมาใส่กระทะเลยเอาน้ํามันใส่กระทะเก็สารใส่เข้าไปแล้วก็ผัด ผัดยังไงมันก็ไม่เป็นข้าวผัดเพราะมันไม่ได้ไปเรียนรู้จากใครว่าวิธีทํำข้าวผัดทํำยังไงมันต้องหุงข้าวก่อนต้องเอาข้าวสุกมาผัดไม่ใช่เอาข้าวสารมาผัดเนี่ยแต่มันไม่รู้มันคิดว่าเอาข้าวผัดก็ต้องเอาข้าวเอาข้าวสารมีข้าวสารมันก็เอาข้าวสารใส่กระทะใส่น้ํามันแล้วก็ผัดผัดยังไงมันก็ไม่เป็นเหมือนกับข้าวผัดที่มันไปซื้อมากินตามร้าน ก็เพราะไม่ไปเรียนวิธีผัดข้าวว่าผัดอย่างไรคิดว่าข้าวผัดก็คือเนี่ยใส่ไปในกระทะแล้วใส่มีน้ํามันมีไฟเดี๋ยวมันก็เป็นข้าวผัดขึ้นมามันเป็นแต่มันไม่ได้เป็นข้าวผัดแบบที่เราจะกินได้เคยเห็นฝรั่งเคเมันอยากจะกินข้าวผัดก็เลยคิดว่ามีน้ํามันมีข้าวสารใส่เข้าไป มีผักมีเนื้อใส่เข้าไปเราจะได้เข้าผัดขึ้นมา <c oughs> แต่ไม่ได้เข้าผัดกิน <c oughs> ไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันวิธีที่จะสร้างความสุขทางใจนี้ถึงแม้จะเห็นเขาสร้างกันเห็นเ้านั่งหลับตานี้เราไม่รู้เ้านั่งหลับตาทำยังไงเราลองไปนั่งหลับตาดูบ้างสิเราดูซิี่นจะได้ความสุขหรือเปลาดีไม่ดีเห็นผีเห็นหนูน่นเห็นนื่องขึ้นมา นั่นแหละพวกนี้เรียกว่านั่งแบบไม่ได้ศึกษาไม่ได้เรียนรู้เนี่ยพวกที่นั่งเราเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นเปรตเห็นผีเห็นเทวดาเห็นเวรเห็นกรรมเห็นอะไรนี่เป็นพวกที่ไม่ได้ศึกษาวิธีนั่งมาอย่างถูกต้องอ่าอย่างนี้นั่งไปแล้วก็หลอกตัวเองคิดว่าโอ้ยถึงขั้นนู้นแล้วถึงขั้นนี้แล้วเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาแล้วแล้วกลายเป็นคนบ้าไปเนี่ยใช่ไหม ที่เขาว่านั่งสมาธิแล้วเป็นบ้าก็เพราะอย่างนี้นั่งสมาธิเพราะไม่เรียนก่อนว่าวิธีนั่งสมาธิอย่างไรถึงจะไม่เป็นบ้าถึงจะได้เป็นพระอริยะบุคคลได้เป็นพระพุทธเจ้าได้เป็นพระอรหันต์ต้องเรียนรู้จากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่รู้วิธีที่จะ ทำให้ใจนี้ได้รับความสุขในระดับขั้นต่างๆความสุขนี้มันมีหลายระดับความสุขทางใจการปฏิบัติจึงมีหลายระดับด้วยกันคือต้องเริ่มจากระดับที่ง่ายขึ้นไปสู่ระดับที่ยากเหมือนกับการเรียนหนังสือ เวลาเราเรียนเราไม่ได้ไปเรียนที่มหาเราเริ่มมันเราไม่ได้เริ่มที่ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยกันเราเริ่มปีหนึ่งที่อนุบาลก่อนเรียนอหนึ่งอสองไปก่อนพอจบอหนึ่งอสองก็ขึ้นปหนึ่งปสองพอจบปหกก็ไปเข้ามหนึ่งมสองพอจบมหถึงจะไปเข้าปีหนึ่งในระดับปริญญาได้ไม่ใช่อยู่ดีๆจะไปภาวนาเลย จากการมาปฏิบัติก็นั่งสมาธิเลยโดยที่ยังไม่ได้รักษาศีลยังไม่ได้ภาวังไม่ได้ทำบุญทำทานเป็นนั่งไปก็ไม่เกิดผลต้องทำตามขั้นตามตอนยกเว้นว่าได้เคยทำมาแล้วได้ทำบุญทำทานใจไม่มีความยึดติดไม่มีความอยากได้เงินทองอีกแล้ว น, นั่นแหละ แต่ถ้ายังอยากโลภอยากได้เงินทองยังอยากเอาเงินไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปดูไปฟังอยู่ไปนั่งสมาธิก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่งได้แต่ท่าทางท่านั่งแต่ใจมันไม่ได้มีความอิ่มเพราะมันยังจะหิวอยู่กับการใช้เงินใช้ทองอยู่ออกมาจากนั่งสมาธิปั๊บเดี๋ยวก็ไปเที่ยวล้วไปดูหนังไปฟังเพลงแนละ้วอย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่เป็นวิธีนั่งที่ถูกต้อง วิธีที่จะนั่งได้นี้ขั้นต้นต้องเลิกหาเงินหาทองเลิกใช้เงินใช้ทองก่อนใช้เท่าที่จําเป็นหาเท่าที่จําเป็นเช่นหามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองใช้เพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้อยู่แต่จะหามาเพื่อจะไปซื้อความสุขต่างๆทางตาหูจมูกนิ้นกายะ ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่ไปกินไปดื่มที่าาร้านอาหารนั้นร้านอาหารนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราต่างๆถ้ายังมีใจยังติดอยู่กับการใช้เงินหาเงินแบบนี้อยู่ไปนั่งก็นั่งไม่ได้ผลนั่งก็ไม่ได้นานเพราะเดี๋ยวก็อยากจะไปเที่ยวอีกละเดี๋ยวอยากจะไปกินไปดื่มที่นั่นที่นี่ เดี๋ยวอยากจะไปดูไปฟังเดี๋ยวมีคอนเสิร์ตดาราดังมาปั๊บนี่ก็ต้องไปแล้วมีรายการดีขึ้นมาก็ต้องไปคนที่จะไปนั่งสมาธิได้ผลนี้ต้องเลิกหาความสุขจากการใช้เงินใช้ทองอันนี้ขั้นแรกต้องทำบุญทำทานให้ได้ ทุกครั้งที่อยากจะเอาเงินทองไปซื้อความสุขก็เอาไปทำบุญแทนก็เป็นการซื้อความสุขที่ดีกว่าด้วยการทำบุญทาทานก็ได้ความสุขเหมือนกันและได้ความสุขที่ดีเพราะเป็นความสุขที่อิ่มให้ความอิ่มความพอไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวไปกินไปดื่มมันไม่อิ่มมันหิวอยู่เรื่อย พอดูเสร็จครั้งนี้แล้วเดี๋ยวก็อยากจะดูครั้งต่อไปดูหนังเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวมันก็มีหนังใหม่มาล่อใจอีกละมันก็อยากจะเพิ่มมีแต่เพิ่มความอยากไม่ได้ทำให้ความอยากลดน้อยลงแต่ถ้าเอาเงินไปทำบุญทำทานนี่ทำแล้วมันอิ่มใจมันทำให้ไม่อยากดูหนังไม่อยากจะฟังเพลงหรือถ้าเคยอยากมันก็จะน้อยลงมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆเนี่ย นี่คือวิธีที่ทำให้เราต่อไปไม่ต้องหาเงินใช้เงินเพื่อที่จะไปซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราเอาเงินนี้มาซื้อความสุขทางใจด้วยการทำบุญทำทานแล้วใจจะมีความสุขระดับที่หนึ่งความสุขที่ได้จากการทำบุญทำทาน แล้วจะทำให้เราสามารถที่จะมีเวลาไปหาความสุขระดับที่สองคือการรักษาศีลได้ถ้าเราไม่ต้องหาเงินหาทองมากมายเราจะรู้สึกว่าเราไม่ต้องโกหกหลอกลวงเราไม่ต้องช่อโกงแต่ถ้าเราต้องการใช้เงินมากต้องหาเงินมากเนี่ยบางทีเราอดไม่ได้ที่จะต้องช่อโกงต้องหลอกลวง ไม่เช่นนั้นเราจะไม่ได้เงินที่เราต้องการแต่พอเราไม่มีความจําเป็นที่จะต้องการได้เงินมากแบบนั้นเราก็จะสามารถรักษาศีลได้จะไม่ต้องโกหกไม่ต้องหลอกลวงใครจะไม่ต้องช่อโกองใครนี่มันเป็นการปฏิบัติที่จะทำให้เรามีกาลังเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆทำทานแล้วจะทำให้เรามีกำลังที่จะรักษาศีล ห้าให้บริสุทธิ์ได้เพราะเรารักษาศีหน้าบริสุทธิ์ได้เราก็จะมีกําลังที่จะเพิ่มไปรักษาศีแ8ดต่อไปเพราะว่าทางที่เราจะไปนี้ต้องผ่านศีแ8ดทางที่เราจะไปภาวนาไปนั่งสมาธิได้อย่างได้ผลและได้ได้อย่างถาวรนี้เราต้องมีศีล8ดขึ้นไปจากศีห้าเราก็ต้องเพิ่มเป็นศีแปด พราะสินห้ามีกำลังไม่พอที่จะส่งให้เราไปภาวนาพรศะสินห้ายังอนุญาตให้เราไปเที่ยวไปกินไปดื่มได้ไปดูหนังฟังเพลงได้แต่พอไปถือศินแปดเน่จะถูกห้ามไม่ให้ไปไม่ให้ไปเที่ยวไม่ให้ไปกินไม่ให้ไปดื่มกิน ก, ก็กินตามความจำเป็นกินแบบกินยาไม่ได้กินตามความต้องการตามความอยากมันก็เลยจะทาให้เรา มีเวลาที่จะไปหัดภาวนาหัดนั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบให้เกิดความสุขใจอันยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้เนี่ยจงอาศัยการไต่เต้าขึ้นมาจากการทําบุญทําทานแล้วก็รักษาศีลห้าจากการรักษาศีลห้าก็จะไปรักษาศีลแปดพอรักษาศีลแปดได้ก็จะไปอยู่วัดได้นะไปหัดภาวนาได้ ที่วัดนี้เขาจะมีกิจกรรมอย่างเดียวก็คือให้ภาวนาให้หัดนั่งสมาธิด้วยการเดินชงขมนั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์ฟังเทศน์ฟังธรรมอันนี้เป็นวิธีที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบ ถ้าเราไม่มีเวลาถ้าเราถือศีลห้าเดี๋ยวเพื่อนส่งบัตรเชิญมาว่าไปงานแต่งงานก็ต้องไปเก่งใจเขาแต่ถ้าเราถือศีลแปดเราก็อ้างได้ว่าไปไม่ได้แล้วนะตอนนี้ถือศีลแปดกำลังจะไปอยู่กำลังอยู่วัดอยู่ขอแสดงความยินดีทางขอสมการสมข้อความนี้ก็แล้วกันแค่นี้ก็จบเราก็ความจริงก็ไม่สนใจหรอกเราจะไปหรือไม่ไป เราต่างหากที่สนใจว่าจะจะได้ไปหรือไม่ได้ไปเสียมากกว่า <c oughs> เพราะเรามันยังอยากไปกันอยู่รอบัดเชิญแล้วรอแล้ ว, ร อ, ลวรออีกเมื่อไหร่จะส่งม า, าทัที <c oughs> เพราะใจมันชอบหาความสุขแบบนี้แต่พอเรามาเรียนรู้ว่าความสุขแบบนี้มันเป็นอันตราย ต่อไปเวลาเราแก่เราเจ็บเราจะตายนี้เราจะไปไม่ได้อยู่ดีตอนนั้นต่อให้ใครส่งบัตรเชิญมากี่บัตรก็ไปไม่ได้นะอยากจะไปไงก็ไปไม่ได้นี่ก็จะมีแต่ความซึมเศร้าอยู่คนเดียวคนอื่นเขาไปงานกันปล่อยให้เราอยู่นอนบนเตียงนอนเป็นคนเจ็บคนคนจะตาย แต่ถ้าเราภาวนาเป็นทําใจให้สงบสร้างความสุขทั้งใจเป็นใครจะไปไหนให้ก็ไปเลยอยู่คนเดียวได้ยิ่งดีไม่มีใครมาบรบกวนใจจะได้ทําใจให้สงบได้อย่างง่ายดายรวดเร็วถ้ามีคนนั้นคนนี้เดี๋ยวก็เข้ามาดูเข้ามาถามเป็นยังไงเป็นยังไงแต่พอไม่มีใครแล้วทีนี้เราก็พุโทโธพุโทโธทําใจให้สงบได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แล้วเราก็จะมีความสุขยิ่งกว่าพวกเขาที่ไปงานกันเพราะความสุขที่ได้จากการจากรูปเสียงกลิ่นลดจากงานต่างๆนี้มันชู้ความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบไม่ได้นี้นั่นเอง น, นี่แหละคือกระบวนการของการเข้าวัดเข้าวัดเพื่อมาศึกษาวิธีสร้างความสุขทางใจว่าสร้างอย่างไร เมื่อรู้แล้วก็หัดทรเลยอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งคืนวันพระสำหรับผู้ที่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการของการปฏิบัติก็จะมาอยู่วัดในวันพระอยู่ค้างแรมในวันพระกันมาทำบุญทรทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมนั่งสมาธิ เพื่อทำใจให้สงบถ้าทำไปเรื่อยๆต่อไปมันก็ทำได้ทุกคนก็เริ่มมาแบบนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เริ่มมาแบบนี้พาาระอรหันตสาวกทั้งหลายก็เริ่มมาแบบนี้เมื่อก่อนก็ทำไม่เป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ทำไม่เป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องไปศึกษาจากผู้อื่นแล้วก็หัดทำไปพระรยยสงสาว ก, ก็มาหัดฟังจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปหัดไปทากัน พอไปทํากันเดี๋ยวก็ได้เหมือนกับการว่ายน้ำเนี่ยไม่มีใครเกิดมาแล้วว่ายน้ำเป็ น, นต้องมาเรียนวิธีว่ายน้ำกันทั้งนั้นแต่พอมาเรียนปั๊บเดี๋ยวก็ได้เห็นไหต่อไปก็ว่ายน้ำได้สบายตกน้ำก็ไม่จมน้ำตายอันใดการมาเรียนเพื่อสร้างความสุขทางใจก็เหมือนกันไม่มีใครรู้มาเกิดมาตั้งแต่เกิดนอกจากคนที่เคยทามาจากชาติก่อนแล้ว เขาอาจจะรู้สึกว่าทำง่ายพอมาเรียนป๊บพอมาหัดทำป๊บเขาจะทำได้ง่ายกว่าคนที่ไม่เคยทำมาก่อนแต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรคนที่ไม่เคยทำมาก่อนก็หัดทำไปทำไปเดี๋ยวก็จะทำได้เดี๋ยวก็จะนั่งสมาธิเป็นเดี๋ยวก็จะเดินจงกรมเป็นเดี๋ยวก็จะเข้าฌานขั้นต่างๆได้เข้าฌานขั้นที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ได้ พอได้ฌานแล้วก็ไปเรียนวิธีเข้าสู่การเป็นโสดาบันสกิดาคามีอนาคามีอรหันต์ต่อไปได้ด้วยการเจริญปัญญามาตัดสังโยชน์ต่างๆให้หมดไปจากใจพอตัดสังโยชน์ได้หมดใจก็สะอาดบริสุทธิ์กลายเป็นพระอารหันต์ขึ้นมาได้บร ม, มสุขคือนิพพานนิ บ, บานังปรมังสุ ข, ขัง เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดพอได้ความสุขระดับนี้แล้วก็เสร็จภารกิจไม่ต้องภาวนาอีกต่อไปไม่ต้องรักษาศีลไม่ต้องทําบุญทําทานไม่ต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิอีกต่อไปอแต่ถ้าจะเดินก็ได้จะทําบุญก็ได้จะรักษาศีลก็ได้ไม่มีใครห้ามแต่จะทําไม่ทํามันก็ไม่มีผลต่อจิตใจที่ได้ความสุขอันดีแล้ว จะไม่ทำก็ได้ความสุขกันนี้อยู่มันไม่หายไปแล้วนี่แหละคือหน้าที่ของชาวพุทธเราในวันพระให้มาวัดเพื่อมาหัดมาเรียนรู้วิธีสร้างความสุขทางใจกันเพราะต่อไปเราจะต้องอาศัยความสุขทางใจเป็นวิธีให้ความสุขกับเราเพราะต่อไปร่างกายของเรามันจะไม่สามารถหาความสุขได้นั่นเอง ถ้าเราไม่มีความสุขทางใจเราอาจจะคิดฆ่าตัวตายกันก็ดูคนที่เขาคิดฆ่าตัวตายกันเขาก็เหมือนเราเมื่อก่อนเขาก็ไม่ได้คิดฆ่าตัวตายเพราะเขามีความสุขจากการหาความสุขทางร่างกายกันแต่พอเขามาเจออุปสรรคไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้เขาก็คิดฆ่าตัวตายกันพวกเราตอนนี้ก็ไม่คิดฆ่าตัวตายกันเพราะเราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้ แต่วันใดวันหนึ่งถ้าเกิดเราไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้แล้วเราจะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมฆ่าตัวตายดีกว่าอยู่ไปก็ทุกทรมานใจไปเปล่าๆนี่คือผลทีจ่จะเกิดขึ้นถ้าเราไม่เข้าวัดไม่มาเรียนรู้วิธีสร้างความสุขทางใจกันแต่ถ้าเราเรียนรู้แล้วสร้างความสุขทางใจได้แล้วเราจะไม่มีความคิดฆ่าตัวตายอย่างแน่นอน ก็ขอให้ท่านพยายามทำหน้าที่ของชาวพุทธที่พระเจ้าสรงมอบมาวัดกันทุกวันพระมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันแล้วต่อไปท่านจะมีความสุขที่ถาวรที่จะไม่ต้องใช้ร่างกายอีกต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุมูทนาให้พร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 จันโทปันะระโสยะธามณนโจติอราโสยะธาสัพีติโยวิวัชจันโตสัพโรโควินัสตโ มาเตภวานตรายุสุขีทิคาโยโกผวะพิวาธนสีลิสะนิจจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรมมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลัง วันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทาง a ฟ e b o o k เข้ามาสามร้อยสิบหก3ูทูสามร้อยยี่สิบสามวิทยุออนไลน์ยี่สิบเจ็ดรับฟังข้างบนนี้เจ็ดสิบสี่คนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสี่สิบครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยไม่ แต่ถ้าไม่ต้องการจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้แต่อย่าถามหลังจากที่เราแลกประชุมแล้วไม่มีไม่มีการถามหลังจากปิดไม้แล้วต้องถามในช่วงนี้ถ้าไม่อยากให้ใครรู้ว่าเป็นเราเราก็เขียนใส่ข้อความเข้ามาถ้าสะดวกจะขึ้นมาถามเองก็จะหยิบไมโครโฟนให้ คำถามจากคุณสมชายถ้าสวดมนต์เสร็จแล้วต้องแผ่เมตตาทุกครั้งหรือไม่ครับคือการสวดแผ่เมตตาไม่ได้แผ่หัวใจไหมเป็นการสวดเฉยๆการแผ่เมตตาต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันเวลาเจอหน้ากันให้ยิ้มให้กันเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่หน้าเบึ้งใส่กันอย่างนี้นไม่ได้แผ่เมตตา หรือมีขนมก็อย่า ก, กินคนเดียวแบ่งให้คนอื่นเขากินด้วยเรียกว่าแผ่เมตตาต้องมีการกระทำที่จะทำให้เกิดผลคือความสุขจากผู้ให้ไปสู่ผู้รับเนี่ยผู้ให้ก็จะมีความสุขที่ให้ความสุขกับผู้อื่นผู้อื่นที่ได้รับความสุขก็เกิดความสุขขึ้นมาดัางนั้นต้องมีบุคคลมีผู้รับมีผู้ให้ มีสิ่งที่เราจะให้เขาถึงจะทําให้การแผ่เมตตาสําเร็จได้การส่วนนี้เป็นการศึกษาหรือเป็นการสอนใจว่าเราต้องแผ่เมตตาเช่นเวลาโกรธนี่อย่าไปจองเวรจองกรรมให้อภัยอเวราโหนตุเราจะไม่จองเวรจองกรรมกับสรรพสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่าใครจะมาทําอะไรให้กับเราให้เราเสียใจเรื่องให้เราเดือดร้อนเราจะให้อภัยเขาอะไรเนี้ยเรียกว่าเป็นการเรียนรู้แต่จะแผ่จริงๆต้องเวลาเจอกันขับรถที่ดันมาชนขับชนท้ายเราโป้งเข้าไปเราก็เอาไม่เป็นไรเรามีประกันชั้นหนึ่งนี่แผลเมตตาไม่มีเรื่องมีราวกันไม่จองเวรจองกรรมกันเนี่ไม่ใช่พอ สวดแผ่เมตตาเสร็จออกมาขับรถใครไม่รู้มาชนท้ายโป้องออกมาด่าชักปืนยิงเลย <c oughs> นี่ไม่ได้แผ่เมตตาเขานีาไ่ไหมอันนั้นเป็นเวลาสวดนี้เป็นการเรียนรู้วิธีแผ่เมตตาว่าเราจะต้องแผ่ตอนไหนแผ่อย่างไร เพราะมันมีหลายเรื่องวิธีแผน ม, มันมีหลายแบบเนี่ยเวลาที่ใครเขาทําให้เราโกรธนี่เราต้องให้อภัยไม่จองเวร เ, เวลาเราจะทําอะไรเราอย่าไปทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อ น, เ, นเรียกว่าไม่เบียดเบีย น, นยไม่ใช่จัดงานปาร์ตี้เปิดเพลงลั่นเพื่อนบ้านนอนไม่หลับเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเบียดเบียนอนี่ไม่แผ่เมตตาเขื่อน แผ่เมตตามันต้องทำอะไรต้องไม่ให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนทำอะไรก็อย่าไปทำร้ายร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่นเขาอย่าทำให้เขาเจ็บกายหรือเจ็บใจแล้วก็ถ้าอยากให้เขามีความสุขก็มีอะไรก็แบ่งให้เขาบ้างมีเงินเหลือใช้ก็แบ่งให้เขาใช้บ้างมีรถหลายคันก็ให้เขาแบ่งไปใช้สักคันหนึ่งเอาไปถวายวัดก็ได้ อะไรทำนองนี้เก็บไว้ทำไมหลายคันเวลาใช้ก็ใช้คันเดียว เ, เก็บไว้ก็เกะกะเป็นภาระเปล่ า, าเอาไปให้าสาธารณกุศลที่เขาขาดแคลนดีกว่ า, าให้โรงพยาบาลให้โรงเรียนก็ได้ให้ที่ไหนที่เขาจะได้ใช้ประโยชน์นี่เรียกว่าแผ่เมตต า, าต้องมีการกระทา การสวดนี้ไม่ใช่เป็นการแผ่เป็นการเรียนรู้วิธีแผ่เอเวลาโหนตุแปลว่าไม่เบียดไม่จองเวอรอาเบญาปัจชาโหนตุแปลว่าไม่เบียดเบียนอานิคาโหนตุแปลว่าไม่ทำร้ำายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นสุขีอัตานังปริหัรันตุให้ความสุขกับผู้อื่น อันนี้คือวิธีแผ่เมตตามีสี่วิธีด้วยกันแล้วแต่กรณีใครขับรถมาชนท้ายปุ๊บนี่ลงไปบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปเถอะผมก็มีประกันคุณก็มีประกันเดี๋ยวก็จัดการกันเองก็แล้วกัน เ, เรื่องก็จบชาวบ้านจะได้ไม่เดือดร้อนบางทีจอดขวางถนนอยู่นะัลนรถติดยาวเหยียดเลยเพราะประโยชน์อันเล็กน้อยของเราเมานั่งเถียงกันมานั่งด่ากันว่ากัน อย่างนี้เรียกว่าไม่มีความเมตตาถ้าคนมีความเมตตาแล้วจะไม่เอาเรื่องเอาเราวเับใครคำถามต่อไปจากคุณพุทธิชัยไปวัดแล้วทําสังฆทานมีพระรูปเดียวจะว่าสังฆทานไหมครับแล้วสังฆทานนี้จะได้บุญอันิสงส์เต็มไหมครับความจริงสังฆทานนี้แปลว่า ถวายให้กับสงสงนี้ไม่คือพระทุกรูปพระที่อาศัยอยู่ในวัดนั้นเน่เรียกว่าสงพระภิกษุนี้รูปใดรูปหนึ่งนี้ไม่ได้เป็นสงแต่เราใช้คำว่าสงกับพระพระภิกษุความจริงคำว่าสงนี้หมายถึงถวายเป็นของส่วนรวมถวายให้สงนี้ก็ถวายให้ส่วนรวม เห็นพระรูปเดียวมาเป็นตัวแทนรับก็ได้อย่างเราเนี่ยที่ญาติโยมเอาเข้าวของต่างๆมาถวายนี้เราเป็นตัวแทนรับของของที่เรารับเราไม่ได้เอาไปเก็บไว้กินคนเดียวใช้คนเดียวของทั้งหมดนี้ก็ไปเก็บไว้ในห้องเก็บของแล้วพระที่อยู่บนเขานี้ใครต้องการอะไรก็ไปหยิบใช้ได้อย่างนี้เรียกว่าสังคทานแต่ถ้ารับแล้วขนไปที่กุฏิหมดนี่ องค์อื่นห้ามมาแตะอย่างนี้ถึงอย่างนี้ไม่เป็นสังฆทานถึงแม้จะนิมนต์พระมาสี่รูปแล้วก็จัดของสี่ก็แป้งพอถวายสี่ก็แป้งก็กระแป้งใครก็แป้งมันแล้วสิ <laughs> พระที่ไม่ได้มารับก็ไม่ได้ใช้พระที่ไม่ได้รับนิมนต์มารับก็จะไม่ได้ใช้อย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสังฆทานเขาเรียกว่าบุคลิสกทาน ถวายเฉพาะบุคคลถวายเฉพาะคนที่มารับคนที่ไม่ได้มารับก็จะไม่ได้แต่ถ้าถวายแบบสังฆทานคนมารับนี้เป็นตัวแทนมารับเพื่อไปให้คนทั้งหมดที่อยู่ในวัดนี้เอามาใช้ได้อันนี้คือความหมายของสังฆทานหมดแล้วเลยทำไมพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ถวายสังฆทาน พราะสังฆทานนี้มันจะทําให้ศาสนาอยู่ได้ยาวกว่าถวายให้บุคคลเพราะบุคคลเดี๋ยวายุ80ตายใช่ไหมเหมือนพระพุทธเจ้านี่เพราถ้าพระพุทธเจ้าถวายทุกคนอยากจะถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับไว้หมดพระรูปอื่นก็ไม่มีกินไม่มีใช้ไม่มีกินไม่มีใช้พระก็ต้องเสกไปจะอยู่ได้ยังไงพระมาบวชไม่ไม่ดังเหมือนพระพุทธเจ้านี่เห็นไหมพระที่มาบวชนี้เป็นพระบวชใหม่ทั้งนั้น พระพุทธเจ้านี่ท่านดังไปไหนก็มีแต่คนอยากจะทำบุญกับพระพุทธเจ้าถ้าไม่ถ้าทำแต่พระพุทธเจ้าแล้วพระรูปอื่นก็ไม่มีอะไรกินไม่มีอะไรใช้เขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องลาสึกขาไปก็เหลือแต่พระพุทธเจ้าอยู่องคเดียวพนอะพระพุทธเจ้าตายไปาศาสนาก็จบตรงนั้นนะแต่ถ้ามาสวายถวายให้กับสงศ์ถวายให้กับพระทุกรูปที่มาบวชอยู่กับพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าตายไปก็ยังมีพระรูปอื่นทําหน้าที่ต่อได้นี่คือทําไมพระพุทธเจ้าจึงให้ถวายเป็นสังฆทานเพราะจะทําให้ศาสนาอยู่ได้นานะพระพุทธเจ้าบอกแม่ของพระพุทธเจ้าที่อยากจะถวายผ้าไตาอุตส่าห์ตัดเย็บซักย้อมด้วยตนเองเพื่อจะเอามาถวายให้กับพระพุทธเจ้าถวายข้างหน้าพระพุทธเจ้าก็ไม่รับบอกว่าไปถวายสงฆ์ดีกว่า ถวายครั้งที่สองก็ไม่รับไปถวายสงดีกว่าถวายที่ครั้งที่สามก็ไม่รับอีกแล้วก็บอกว่าทำไมบอกว่าถ้าเธออยากจะให้ศาสนาของเรานี้อยู่ไปนานๆอย่ามาถวายให้กับเราเฉพาะเจาะจงถวายให้กับสงเพื่อที่พระรูปอื่นเขาจะได้มีกินมีใช้เหมือนเราแล้วเขาจะมาสนับสนุนมาสืบทอดศาสนาต่อไปถ้าอยากจะให้ศาสนาอยู่ ถึงห้าพันปีเวลาทำบุญขอให้ทำแบบแบบสังฆทานซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ทำเป็นสังฆทานกันศาลาหลังนี้ก็เป็นสังฆทานวัดวัดนี้ก็เป็นสังฆทานเวลาเราถวายวัดเวลาถวายสังศาลาถวายโบสถ์ถวายเจดีย์เราไม่ได้ถวายให้เจ้าอาวาสรูปเดียวแม้แต่ถวายผ้ากะถินก็ไม่ได้ถวายให้เจ้าอาวาสคนเดียว กรถินนี้ทวายให้กับภ้าทุกรูปในวันผ้าที่ถวายนี้สามารถเอาไปแบ่งให้กับผ้ารูปอื่นได้ให้ดูว่าใครขาดแคลนคนที่มีแล้วยังดีอยู่ก็ใช้ผ้าเก่าไปก่อนคนที่ผ้าไม่ไม่ดีแล้วผ้าขาดแล้วใช้ไม่ได้แล้วก็ให้เขาใช้ผ้าใหม่ไปหรือไม่เช่นนั้นเขาก็รอรับผ้าเก่าของพระผู้ใหญ่พระผู้ใหญ่ได้ผ้าใหม่มาก็เก็บผ้าใหม่ไว้ใช้ พระเก่าของพระ ผ, ผู้ใหญ่ยังใช้ได้อยู่ก็มอบให้กับพระรูปอื่นต่อไปเนี่ยนี่เป็นวิธีแบ่งปันของสงฆ์วิธีแผ่เมตตาของพระที่อยู่ร่วมกันาศาสนาจะอยู่ได้ไม่ได้อยู่กับพระรูปใดรูปหนึ่งแต่ต้องอยู่กับพระสงฆ์มีจํานวนหลายรูปมาทําหน้าที่ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะคาสั่งคําสอนจะบวชพระได้นี้ต้องมีพระอย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปถึงจะบวชได้ ถ้าเกิดไม่มีพระสิบรูปต่อไปก็จะบวชไม่ได้เมื่อบวชไม่ได้ต่อไปพระก็จะไม่มีไม่มีพระก็จะไม่มีใครมาเรียนไม่มีใครมาปฏิบัติไม่มีใครมาบรรลุรมก็จะไม่มีใครมาสั่งสอนทะต่อไปก็ต้องไปเรียนจากพระไตรปิฎกไปอย่างเดียวเรียนก็ไม่เข้าใจเพราะภาษามันเปลี่ยนไปเรียนแล้วก็งงในที่สุดก็จะ ไม่ได้เรียนกันจะไม่มีใครอมาอธิบายความหมายของของพระไตรปิฎกว่ามีความหมายอย่างไรกันแต่ถ้าทปอย่างนี้ต่อไปศาสนาก็จะสิ้นลงชินสุดลงถ้าเราถวายแต่พระที่เราชอบพระที่เราไม่รู้จักเราก็ไม่ไปถวาย เขาต่เจ้าเลยสอนบอกว่าให้ถวายเป็นของส่วนรวมไปแล้วพระที่อยู่ในวัดเวลาเขาขาดแคลนอะไรเขาก็จะได้มาแบ่งกันได้มาขอกันได้มาหยิบไปใช้ได้ศาลาหลังนี้ถ้าเราใช้คนเดียวเราก็ห้ามไม่ให้คนถ้าใครถวายให้เป็นของเราเราก็ห้ามแม่พระลูกอื่นมาใช้พระลูกอื่นจะมาใช้นั่งสมาธิส่วดมนั์ก็ห้ามนี่ถ้าทําอย่างนี้แล้ว ก็จะมีเราอยู่คนเดียวนานี่จะไม่มีพร ะ, ะมันจะมาอยู่กับเรานะนี่คือความหมายของสังฆทานมีคนมีประโยชน์ต่อศาสนาถ้าเราอยากจะให้ศาสนานี่อยู่ไปนานๆเราต้องทำบุญให้กับส่วนรวมแต่ทากับบุคคลก็ได้เป็นกรณีไปกรณีพิเศษพระตอนนี้คนนี้ไม่สบายฮะก็ไปดูแลเป็นกรณีพิเศษไป ภาพรูปนี้ เ, เดือดร้อนต้อง เ, อเดินทางไปไหนมาไหนไม่มีรถลาเราก็ช่วยพาไปอันนี้ก็ทำเป็นจำพอ่อบุคคนไปแต่หาไหนที่ทำให้กับส่วนรวมพาอรั่วเป็นของที่ต้องใช้ร่วมกันก็ทำเป็นส่วนรวมไปพวกน้ำพวกอาหารพวกอะไรนี้ต้องเป็นสังฆทานบิดาบานนี้ก็เป็นสังฆทานเพราะพระที่ได้อาหารมาจะไม่เก็บไว้เป็นของตนเพียงคนเดียว จะต้องอ า, อาหารที่ได้จากบินตาบานนี้มารวมกันแล้วก็มาแบ่งกันใครอยากจะได้อาหารของพระผู้ใหญ่ก็หยิบไปได้าาเพราะว่าไม่ได้เป็นของพระผู้ใหญ่เพียงคนเดียวเป็นของทุกๆคนเอามาบินตบาตมาแล้วกลับมาวัดก็เอามาแบ่งกันที่วัดแต่ถ้าบินตบานเสร็จแล้วกับกุติใครกุติมันอย่างนี้ก็ไม่ได้เป็นสังฆทานเป็นบุคคลิกทาน ซึ่งบางวัดเขาก็ทําแบบนี้เวลาไปบินาบาก็เดินกันไปเป็นแถวแต่พอกลับถึงวัดก็กุติคายกุติมันะแต่ถ้าเป็นวัดที่เป็นสังฆทานก็จะไปที่ศาลาไปฉันที่ศาลาไปแบ่งที่ศาลากันเพราะว่าพระที่อยู่ท้ายแถวบางทีมันไม่ค่อยได้อะไรส่วนใหญ่เขาจะใส่บางทีใส่ไม่พอไม่มีเหลือให้กับพระท้ายแถว ถ้าเป็นของใครของมันเดี๋ยวพ้าท้ายแถวก็อดตายวัดวัดปฏิบัติส่วนใหญ่จะทําเป็นสังฆทานเรื่องบินทบาทเวลาบินทบาทเสร็จอาหารทุกอย่างที่ได้ในบาทนี้ไม่ให้เก็บไว้ในบาทเลยที่วัดป่าบ้านตาดนี้ให้เก็บได้เพียงแต่ข้าวเหนียวก้อนหนึ่งเวลากลับมาจากบินทบาทแล้วกับอาหารของขค้าของหวานอะไรต่างๆนี้เอาเอาไปรวมกันที่ศาลา แล้วก็จัดแล้วก็จัดมาถวายตามลำดับถวายให้พระผู้ใหญ่ก่อนแล้วให้ผู้ใหญ่พิจารณาแล้วก็เลื่อนลงไปเนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นสังฆทานนะ <c oughs> มีอีกไหมคำถามจากคุณจิรวดีถ้าคำพูดของเราไปกระทบจิตใจผู้อื่นโดยที่เราไม่ได้พูดด้วยความโกรธ และไม่เจตนาที่จะล่วงเกินเขาเราจะเป็นบาปหรือผิดศีลข้อมุติสาหรือไม่ครับถ้าไม่มีเจตนาไม่ผิดแต่ก็ต้องระมัดระวังก่อนที่เราจะพูดเราควรจะคิดให้รอบครอบก่อนว่าพูดไปแล้วจะมีผลอะไรเกิดขึ้นมาหรือไม่ <S <S ถ้ามีก็อย่าพูดดีกว่าก็อย่าพูด เ, เราคิดได้คิดก่อน เพราะเราก็มีใจเหมือนเขานะ่ะใจเราก็เหมือนเขาถ้าคนอื่นเขาพูดอย่างนี้เราจะรูส้ Mur สึกอย่างไร <weaknesses> เราก็คิดถ้าเราพูดอย่างนี้แล้วเขาจะรู้สึกอย่างไร <sí> ถึงแม้เราจะไม่มีเจตนาแต่ถ้ามันไม่จําเป็นจะต้องพูดก็อย่าพูดดีกว่าแต่ถ้าจำเป็นต้องพูดก็ต้องพูดเช่นถ้าเป็นผู้ใหญ่เ ป, เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพ่อแม่บางทีต้องห้ามเด็กห้ามลูกอย่างนี mm hmm> ้ก็ต้องพูดห้ามก็รู้ว่ามันจะต้องโกรธใช่ไหม มันจะไปเที่ยวก็ห้ามมันอย่าไปเที่ยวไม่ให้ไปก็รู้ว่ามันจะโกรธแต่ก็ต้องห้ามเพราะมันเป็นประโยชน์กับคนที่รับนั่นเองเพราะไม่ไปเที่ยวได้มันดีกว่าไปเที่ยวไปเที่ยวแล้วมันติดมันจะเสียนิสัยใจแตกเดี๋ยวจะไม่มีกระจิตกระจายเรียนหนังสืออย่างนี้ต้องคิดให้รอบคอบก่อนว่าพูดไปแล้วเป็นผลอย่างไรดีหรือไม่ดีต่อผู้ฟัง ถ้าดีถึงแม้ว่าเขาไม่ชอบแต่จำเป็นจะต้องพูดก็ต้องพูดแต่ถ้าเขารู้แล้วเขาไม่ต้องพูดพูดแล้วซ้ำซากอย่างนี้ก็ไม่ต้องพูดก็เป็นถือว่าเป็นกรรมของเขาไปถ้าเขาอยากจะไปบอกเขาแล้วห้ามเขาแล้วเขาไม่เชื่อก็เป็นเรื่องของกรรมไปคําถามต่อไปจากคุณอภิชิตขอกราบสอบถามถึงเทคนิค ที่ทําให้ไม่ให้จิตตกฟู้งซ่านและจัดการกับสิ่งเราอย่างไรได้บ้างครับก็ต้องมีสติคอยคอยจเจริญพุโทโธอยู่เรื่อยๆพอจิตเริ่มตกก็พุโทโธพุโทโธไปพุโทโธนี้เหมือนเหมือนล่อมชูชีพที่จะคอยดึงจิตให้ขึ้นพอจิตเริ่มตกก็พุโทโธพุโทโธไปหยุดคิดปรุงแต่งอารมณ์ต่างๆที่ทําให้ใจตกมันก็จะหายไป เห็นมันพยายามฝึกสติอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าไม่ฝึกพุโทโธพอถึงเวลาจะพุโทโธมันพุโทโธไม่ออกพุโทโธได้คำสองคำหยุดแล้วขี้เกียจแล้วอยากจะไปคิดเรื่องนั้นซ้ำอีกละ่ะพอกลับไปคิดเรื่องซ้ำก็เดี๋ยวก็เกิดความทุกข์เจตก็จะตกลงมาคำถามต่อไปจากคุณอนุลักษ์ทาบุญกับคนทั่วไปกับทาบุญกับผู้ป่วยศูนย์ผู้ติดเอด ได้บุญเท่ากันหรือไม่ครับได้เท่ากันเน่ยถ้าหมายถึงความสุขใจที่เราได้เท่ากันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับทำกับใครก็สุขใจเหมือนกันคำถามต่อไปจากคุณสุพชยัยการทำอนาปานาสติสามารถกำหนดคำภาวนาพุทโธตามลมหายใจเข้าออกไปด้วยได้ไหมครับ ได้ถ้าอยากจะทำแต่ไม่จำเป็นดูลมอย่างเดียวก็ยุ่งยากพอแล้วไม่ต้องไปพุทเข้าโทรออกตามด้วยแต่ถ้าอยากจะทำก็ทำได้ไม่ห้ามให้ดูที่ผลแล้วกันว่าอย่างไหนดีกว่ากันดูลมอย่างเดียวแล้วดูลมแล้วก็มีพุทโทกกำกับด้วยคำถามต่อไปจากคุณสุพัณีทำอย่างไรจิตใจถึงจะสงบ ไม่ไม่ทุกข์กับปัญหาที่เข้ามาในชีวิตครับก็นี่แหละมีสติมีพุทโธคอยพุทโธอยู่เรื่อยๆคอยหยุดความคิดต่างๆความความทุกข์ก็ไม่เข้ามาหรอกเราไปดึงมันเข้ามาเองด้วยความคิดของเราพอเราไม่คิดถึงมันมันก็ไม่ทุกข์แล้วพอไปคิดปั๊บมันเราก็ดึงความทุกข์เข้ามาทันทีเห็นหยุดคิดถ้าเวลาทุกข์ก็หยุดคิดซะด้วยพุทโธพุทโธคิดพุทโธแทน พอคิดแต่พุทโธเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ก็จะหายไปคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเคยฝันว่าตัวเองตายเมื่อตื่นขึ้นมาตกใจเป็นทุกข์มากทำอย่างไรถึงจะไม่ทุกข์เมื่อต้องตายจริงๆครับจะทำยังไงนะก็ต้องปลงต้องปล่อยวางร่างกายทนั้นเอง อย่าไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเรามันเราก็จะไม่ทุกข์ความจริงมันก็ไม่ได้เป็นตัวเราอยู่แล้วเพียงแต่เราไม่รู้เราไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเพราะมันตายมันก็เลยทำให้เราทุกข์ต้งตองมาสอนใจว่าเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจผู้รู้ผู้คิดเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายคำถามต่อไปจากคุณเคอาร สรุปว่าการสวดมนต์ไม่ได้มีผลเรื่องบุญเพราะไม่ได้สร้างบุญให้กับใครใช่ไหมครับ เ, ออเป็นบุญอีกแบบหนึ่งการสวดมนต์ก็ได้สติได้ความสงบเนี่อันนี้ก็เป็นบุญอีกแบบหนึ่งบุญคนละชนิดกับการทำบุญทำทานหรือรักษาศีลหมดแล้วนะนการสวดมนต์ก็เป็นการที่จะทำให้เรามีสติ เมื่อมีสติก็จะทำให้เรานั่งสมาธิทำใจให้สงบเข้าฌานได้พอเข้าฌานได้เราก็จะได้ความสุขที่เกิดจากการเข้าฌานที่เป็นบุญอีกแบบหนึง่งที่เป็นบุญที่เหนือกว่าดีกว่าบุญที่ได้จากการทำบุญทำทานแผ่เมตตารักษาศีลไม่มีคำถามแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามอีกไหมถ้าไม่มีก็จะ